เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดคุณให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดดังที่พระบรมศาสดาได้ทรงตัดไว้ก่อนที่จะจากพวกเราไปพระองค์ทรงตรัสว่าสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงมีการเกิดขึ้นและดับไปเป็นธรรมดาจง เร่งสร้างประโยชน์ของตนและของผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดนี่คือคำพูดคำสุดท้ายของพระพุทธเจ้าที่เป็นพระบรมศาสดาของพวกเราพระ อ, องค์ทรงมีความห่วงใยในพวกเรามากเพราะพวกเรายัง ไม่ได้พบกับประโยชน์สุขที่แท้จริงยังต้องทนอยู่กับการความทุกข์ความทรมานความวุ่นวายใจต่างๆอยู่และังต้องเป็นอย่างนี้ไปเอกหลายพบหลายชาติด้วยกันถ้าไม่รีบตับตัวงประโยชน์สุขของตน ให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทความไม่ประมาทก็หมายถึงว่าให้เราเระลึกเสมอว่าวันเวลามีแต่จะผ่านไปผ่านไปแต่อายุของเราที่จะเหลืออยู่ก็จะมีน้อยลงไปเรื่อยๆโอกาสที่จะทำประโยชน์ก็จะมีน้อยลงไปเรื่อย ๆ, อยอยอยๆถ้าเราปล่อยให้เวลาผ่านไป โดยไม่ทำประโยชน์ทางศาสนาเลยเราก็จะสูงเปล่าเราก็จะเสียเวลาไปปปล่ า, าเหมือนกับเวลาที่เราเปิดน้ำ <c oughs> ทิ้งไว้โดยที่เราไม่ได้ใช้น้ำที่มีค่ามากก็จะไหลทิ้งไปแล้วก็จะหมดไปในที่สุดเวลาที่เราต้องการจะใช้น้ำ ก็จะไม่มีน้ำให้เราใช้เหมือนกับเวลาของชีวิตเรามันก็ผ่านไปผ่านไปหมดไปหมดไปทุกวันทุกวันมันไม่มีเพิ่มมากขึ้นชีวิตของพวกเรานี้ไม่มีเพิ่มมากขึ้นอายุเพิ่มมากขึ้นแต่ชีวิตสั้นลงไปเรื่อยๆคือมีอายุมากขึ้นไปเท่าไหร่ชีวิตก็จะสั้นลงไปเท่านั้น ดังนั้นขอให้เราลำลึกถึงคาสอนของพระพุทธเจ้าเพราะมีความหมายมากส่งให้เราเห็นถึงคุณค่าของเวลาส่งให้เราเห็นคุณค่าของการได้ปฏิบัติธรรมได้ศึกษาธรรมเพราะเป็นการทาประโยชน์ให้แก่ตนอย่างแท้จริงแล้วให้เห็นคุณค่าของ การที่เราได้มาเป็นมนุษย์เพราะถ้าเราไม่ได้เป็นมนุษย์เราจะไม่มีความสามารถที่จะศึกษาปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าได้เลยแนะ่ขอให้เราเห็นคุณค่าของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นคำสอนที่ถูกต้องแนละเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงนี่คือ เรื่องที่เราควรที่จะคิดอยู่เรื่อยๆถามตัวเองอยู่เรื่อยๆว่าวันเวลาผ่านไปผ่านไปเรากำลังทาอะไรอยู่เรากำลังทาประโยชน์ให้แก่จิตใจของเราหรือเรากำลังทาประโยชน์ให้กับกิเลส ต, ตัณหากับความโลภ ก, กับความอยากต่างๆถ้าเราทำประโยชน์ให้กับกิเลส ตันหาความโลภความอยากต่างๆเราก็จะสร้างกองทุกข์ให้มีมากขึ้นไปในใจของเราเราจะสร้างภพสร้างชาติของเราให้มีมากขึ้นไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราทาบุญสร้างกุศลฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติธรรมเราก็จะตัดภพตัดชาติให้น้อยลงไปเรื่อยๆทำลายกองทุกข์ให้เล็กลงไปเรื่อยๆ จนไม่มีกองทุกข์หลงเหลืออยู่ภายในใจของเราเลยเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าได้ส่งปฏิบัติมาพระพุทธเจ้าไม่เห็นความสำคัญของการกระทตาตามความโลภตามความอยากกลับเห็นว่าเป็นพิษเป็นภยัยเป็นอันตรายต่อจิตใจของพระองค์พระองค์ทรงมีพร้อมไปด้วยลาบยศสรรเสริญสุ แต่พระองค์กับไม่ได้มีความยุดติดหรือเห็นความสำคัญของราบยศสารเสริงสุขเลยแับทรงเห็นว่าเป็นพิษเป็นภัยต่อจิตใจจึงตัดสินประทัยสละราชสมบัติแล้วทรงออกพนวดอยู่แบบนับบวชอยู่แบบขอทาน อยู่แบบตามมีตามเกิดชีวิตจากในวังมาอยู่เป็นชีวิตของถัวทานี่คิดดูสิว่าเป็นความแตกต่างกันมากน้อยเพียงไรเหมือนฟ้ากับดินเลยแต่พระองค์กับทรงเห็นว่าเป็นประโยชน์กับจิตใจมากกว่าเป็นพิษเป็นภัยเพราะเวลาที่ไม่มีอะไรใจก็ไม่ต้องแบกขาม ไม่ต้องคอยทุกข์กับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆไม่ต้องทุกข์กับลาบยศเสริญสุขผู้ใดที่ยังมีลาบยศเสริญสุขและยังติดอยู่ในลาบยศเสริญสุขอยู่ก็จะต้องแบกทุกข์ของลาบของยศเสริญสุขไปเพราะธรรมชาติของลาบยศเสริญสุขนี้เป็น อ น, นิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองอ น, นิจจังแปลว่าไม่เที่ยงแท้แน่นอนทุกขังก็แปลว่าทุกนั่นเองถ้าประยึดไปติดก็จะต้องทุกเพราะความไม่แน่นอนทําให้เราไม่ไม่มั่นใจทําให้เราหวาดกลัวกลัวว่าเราจะไม่มีเงินใช้กลัวว่าเราจ ะ, ววาาจะสูญเสียยศไป กลัวว่าจะไม่มีคนยกย่องสรรเสริญกลัวว่าจะไม่มีปัญญาที่จะหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะความสุขแบบนี้เป็นความสุขที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนนั่นเองถ้าเรามีความโลภมีความอยากในความสุขแบบนี้หรือมีความยึดติดกับความสุขแบบนี้ เราก็แปลงเหมือนคนที่ติดยาเสพติดคนที่ติดสุราคนที่ติดบุหรี่พวกนี้เขาจะไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่จะสุขก็ตอนที่เขาได้ดื่มสุราได้สูบบุหรี่แต่เวลาที่ไม่มีสุราให้ดื่มไม่มีบุหรี่ให้สูบตอนนั้นก็จะกะวลกวย ตอนนั้นก็จะทรมานใจแต่คนที่ไม่ติดบุร่คนที่ไม่ติดสุราจะไม่เดือดร้อนกับสุราจะไม่เดือดร้อนกับบุร่จะมีหรือไม่มีก็ไม่เป็นปัญหาอย่างไรนี่คือสิ่งที่พ ร, ระพุทธเจ้าทรงพิจารณาด้วยปัญญาทรงเห็นว่าการที่ ไปมีความโลภความหยาหรือมีความยึดติดในลาบยศเสริญสุขเป็นการสร้างความทุกข์ให้แก่ตนเองพระพุทธเจ้าจึงตัดสินพระทยระัยสละลาบยศสเสริญสุขทั้งหมดไปแล้วก็ไปแสวงหาความสุขที่ไม่ต้องมีลาบยศเสริญสุขเป็นปัจจัยเป็นที่ ทำความสุขให้กับตน mm hmm. ก็ทรงหาความสุขจากการปฏิบัติธรรมนี้เองจากการจากการรักษาศีลจากการภาวนาทำจิตใจให้สงบทำจิตใจให้ฉลาดเพื่อจะตัดความโลภตัดความอยากทั้งหลายตัดความยึดมั่นถือมั่นในทุกสิ่งทุกอย่างให้หมดไป พอพระพุทธเจ้าได้ตัดทุกสิ่งทุกอย่างได้แล้วไม่ยึดไม่ติดในลาบยศสารเสริญสุดแล้วก็ไม่มีความทุกข์ตั้งแต่บัดนั้นจนถึงปัจจุบันนี้พระพุทธเจ้าของเราไม่ได้สูญหายไปไหนเพียงแต่พระองค์ไม่มีร่างกายเหมือนพวกเราเท่านั้นเองเพราะพระองค์ทรงพิจารณาด้วยปัญญาแล้วว่าร่างกายนี้ก็เป็นกองทุกข์เหมือนกัน เพราะร่างกายนี้ก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามีเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเวลาเจ็บก็ทุกข์ทรมานเวลาแก่ก็ทุกข์ทรมานเวลาตายก็ทุกข์ทรมานเพราพระพุทธเจ้าจึงไม่ต้องการร่างกายไม่มีความอยากได้ร่างกายเมื่อไม่มีความอยากได้ร่างกายก็ไม่ต้องมีร่างกายไม่ต้องเกิด ไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายแต่ใจของพระพุทธเจ้าไม่ได้หายไปไหนใจของพระพุทธเจ้าก็เหมือนใจของพวกเราที่ไม่ไม่ทำไ ม, ไ ม, ไม่ไม่สามารถทําลายให้หายไปได้ใจนี้เป็นสิ่งที่ไม่มีใครจะทําลายได้เพียงแต่ว่าใจของเรากับใจของพระพุทธเจ้าต่างกันตรงที่ ใจของพพระพุทธเจ้าไม่มีความอยากจึงไม่ต้องไปหาร่างกายมาแบกบใจของพวกเรายังมีความอยากอยากเกิดยังอยากมียังอยากเป็นอยู่เราก็เลยยังมีร่างกายนี้อยู่หลังจากหลังจากร่างกายนี้ตายไปแล้วใจของเราก็ไปหาร่างกายอันใหม่เรียกว่าไปเกิดใหม่ต่อไป จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะตัดความอยากให้หมดสิ้นไปได้ความอยากในลาบยศเสริญสุขนี่เองที่เป็นตัวที่จะพาให้เราต้องไปหาร่างกายอันใหม่เพราะเราต้องมีร่างกายเป็นเครื่องมือในการแสวงหาลาบยศเสริญสุขนั่นเอง อย่างนั้นขอให้พวกเราจงดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างพระพุทธเจ้าท่านไม่ใช่เป็นคนโง่ท่านไม่ได้ทำอะไรแบบโง่โง่การกระทำของท่านในสายตาของพวกเราอาจจะคิดว่าเป็นการกระทำที่โง่ก็ได้เพราะมีใครบ้างที่อยู่ดีๆก็จะสละทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองทั้งหมดให้แก่คนอื่นไปแล้วก็ไปอยู่แบบขอทาน อยู่แบบลำบากลำบนที่อยู่อาศัยในสมัยก่อนก็ไม่มีไม่มีกุฏิไม่มีวัดเหมือนสมัยนี้สมัยที่พระพุทธเจ้าทรงออกบวช น, นั้นต้องอยู่ตามโคนไม้อยู่ตามท่าอยู่ตามเรือนร้างเพราะไม่มีใครเข้ามีศรัทธาสร้างกุฏิให้อยู่เหมือนในสมัยนี้นั่นเอง คิดดูแล้วกันว่าการอยู่ในวังกับกับการอยู่ตามโคนไม้อยู่ตามถ้านี้อันไหนมันจะลาบากกว่ากันแต่ความลาบากนี้กับไม่เป็นพิศเป็นภัยกับจิตใจแต่กับเป็นประโยชน์กับจิตใจเพราะทำให้จิตใจเข้มแข็งทำให้จิตใจกล้าหาญทำให้จิตใจมีความอดทน แต่เวลาที่อยู่ในที่สุขที่สบายที่มีเครื่องอรรณาวยความสุขทุกรูปแบบเหมือนพวกเราใจของเราจะอ่อนแอจะสู้กับความทุกข์ต่างๆไม่ได้จะสู้กับผู้ที่สร้างความทุกข์ต่างๆให้กับเราไม่ได้เพราะเราไม่มีกำลังที่จะไป ต่อสู้กับเขานั่นเองเพราะเราอยู่อย่างสุขอย่างสบายจนไม่มีกําลังที่จะต่อสู้กับความทุกข์ยากลําบากต่างๆเวลาทุกข์กับเรื่องอะไรเล็กนิดหน่อยก็รีบหาเครื่องมาดับความทุกข์กันแล้วเวลาหิวหน่อยก็รีบหาอาหารมารับประทานเวลาหิวน้ําอยากจะดื่มเครื่องดื่มก็รีบหามาดื่มทันที แต่ถ้าเวลาที่ไม่มีแล้วจะทำอย่างไรเวลาหิวข้าวแล้วไม่มีข้าวรับประทานจะทำอย่างไรเวลาหิวเครื่องดื่มแล้วไม่มีเครื่องดื่มให้ดื่มจะทำอย่างไรก็จะต้องทุกขทรมานนั่นเองแต่คนที่อยู่แบบไม่มีเช่นพระพุทธเจ้าและนักบวชทั้งหลายเวลาหิวเครื่องดื่ม ไม่มีเครื่องเดิือก็ต้องอดทนเอาก็ต้องอดไปอดไปเรื่อยๆก็จะเกิดความเข้มแข็งขึ้นมาเองจนในที่สุดจะไม่รู้สึกทุกขทรมานใจแต่อย่างไรไม่มีก็ไม่อยู่ไม่มีก็ไม่รับประทานก็ไม่เดือดร้อนอย่างไรเพราะท่านมีขันติมีความอดทนใจของท่านมีความเข้มแข็งนั่นเอง แล้วเมื่อท่านได้ปฏิบัติธรรมท่านยิ่งมีกำลังมากขึ้นไปจนสามารถตัดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดไปได้เวลาไม่มีความอยากแล้วก็จะไม่มีความทุกข์ใจเกิดขึ้นมาเวลาใดที่มีความอยากเวลานั้นก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาทันทีเช่นตอนนี้ถ้าเราอยากจะสู่บริ หรืออยากจะดื่มสุราเราจะต้องทนนั่งอยู่ตรงนี้ไม่ได้เพราะว่ามันทุกทรมานใจนั่นเองพออยากแล้วต้องไปหาสิ่งที่อยากขึ้นมา ท, าทันทีต้องออกไปข้างนอกไปหาบุรีสูบไปหาสุรามาดื่ม ท, ทันทีแต่ถ้าเราไม่มีความอยากบุรีหรืออยากสุราตอนนี้เราก็นั่งอยู่ที่นี่ได้อย่างสบาย นี่คือตัวอย่างของความอยากกับความไม่อยากเวลามีความอยากเกิดขึ้นมาในใจแล้วจะเกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาทันทีจึงขอให้พวกเราเห็นโทษของความอยากแล้วพยายามกําจัดความอยากด้วยการไม่ทําตามความอยากเพราะการกระทำตามความอยากนี้เป็นการสร้างความอยากให้มีกําลังมากเพิ่มขึ้นไป เช่นถ้าเราอยากได้อะไรอย่างหนึ่งสุราครั้งแรกเราก็อยิบดื่มเพียงแก้วเดียวแต่ต่อไปพอเกิดความอยากดื่มสุราขึ้นมาอีกดื่มแก้วเดียวจะรู้สึกไม่พอแล้วจะต้องดื่มสองแก้วครั้งต่อไปดื่มสองแก้วก็ไม่พอต้องดื่มสามแก้วต่อไปก็ต้องดื่มทั้งขวดและต่อไปก็ต้องดื่มหลายขวด ดื่มจนไม่มีกําลังจะดื่มเท่านั้นถึงจะหยุดดื่มสังเกตดูคนที่ดื่มสุราเวลาเขาดื่มเขาจะหยุดก็ต่อเมื่อเขาเมาจนกระทั่งไม่มีปัญญาที่จะยกสุราดื่มเข้าไปในปากเท่านั้นเขาถึงจะหยุดดื่มตอนนั้นเขาก็แผ่สองสลึงนอนอยู่กับพื้นนี่คืออํานาจของความอยากเป็นอย่างนี้ ถ้าเราทำตามความอยากก็เท่ากับเราให้น้ำ <c oughs> ให้ปุ๋ยกับความอยากจะทำให้ความอยากจเจริญเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนดังคำโบราณที่พูดไว้ว่าได้คืบก็อยากจะได้สอกพอได้สอกก็อยากจะได้วาเป็นอย่างนี้ไม่มีวันสิ้นสุดมีแต่อยากจะได้เพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆวันนี้ได้มาห้าร้อย พอพรุ่งนี้ได้มาห้าร้อยก็จะไม่พอใจถ้าได้มาพันหนึ่งถึงจะดีใจแลวันต่อไปถ้าได้พันหนึ่งก็ไม่ดีใจต้องได้สองพันถึงจะดีใจนี่คือความอยากเป็นอย่างนี้แล้วได้มาแล้วเป็นอย่างไรได้มาแล้วก็เท่านั้นได้มาจนมีเงินกองเป็นล้านก็ยังไม่มีความพอก็ยังมีความอยาก ความอยากไม่มีที่สิ้นสุดแล้วถ้าตัดความอยากไม่ได้ก็จะไม่มีทางที่จะพบความสุขได้เพราะจะอยากมากขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองแต่ถ้าเราสามารถต่อสู้กับความอยากได้เช่นวันนี้อยากดื่มสุราสามแก้วเราก็ลดลงเหลือสองแก้วพอวันรุ่งขึ้นเราดน่มสองแก้วเราก็มีความสุขเราก็พอได้ แล้วยิ่งถ้าเราลดลงไปเรื่อยๆต่อไปเราไม่ต้องเด่นเลยเราก็มีความสุขได้อยู่ตรงที่การตัดความอยากนี้ต่างหากคนที่ไม่ดื่มสุราเขาสบายจะตายไปไม่ต้องเสียเงินไม่ต้องมาหาสุรามาดื่มแล้วก็ไม่ต้องต่อสู้กับความอยากของสุราถ้าเราชนะความอยากแล้วต่อไปเราจะชนะไปตลอด ความอยากนี้เราเอาชนะได้เพียงแต่ว่าเราไม่สามารถชนะด้วยกําลังใจของเราตามลํำพังเท่านั้นเพราะเรามีกําลังไม่พอเรายังขาดสติเรายังขาดสมาธิและยังขาดปัญญานี่คือกําลังของใจถ้าเราเติมสติเติมสมาธิเติมปัญญาให้กับใจมากขึ้นไปเท่าไหร่ ใจของเราจะมีกำลังที่จะตัดความอยากต่างๆให้หมดไปได้ความอยากจะไม่มีหลงเหนืออยู่ภายในใจของเราเลยถ้าเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาดังนั้นหน้าที่ของเราหรือประโยชน์ของเราก็คือการสร้างสติสร้างสมาธิและสร้างปัญญานี้เองเราต้องพยายามสร้าง ให้มากๆสตินี้เราสามารถสร้างได้ตั้งแต่เราตื่นขึ้นมาจนถึงเวลาหลับเลยคำว่าสติคืออะไรก็คือการรู้ใจของเราคือเป็นการการควบคุมใจของเรานี้เรียกว่าสติให้เราดูใจของเราว่ากำลังทำอะไรอยู่ถ้ากำลังคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็ต้องบังคับไม่ให้ไปคิด เพราะการคิดของใจจะนำไปสู่ความอยากต่างๆพอคิดถึงสุราก็อยากจะดื่มสุราพอคิดถึงบุหรี่ก็อยากจะสูบบุหรี่พอคิดถึงขนมก็อยากจะหาขนมมารับประทานพอคิดถึงเครื่องดื่มที่ชอบก็อยากจะไปหาเครื่องดื่มมาดื่มเราต้องควบคุมบังคับความคิดของเราด้วยสติให้สติ ให้ใจอยู่กับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เช่นเรากำลังเดินอยู่ก็ให้คิดอยู่กับเรื่องกำลังเดินอยู่เช่นกำลังเดินก้าวเท้าซ้ายก้าวเท้าขวาเราก็ให้คิดอยู่กับซ้ายขวาซ้ายขวาไปถ้าเรากำลังรับประทานอาหารก็ให้คิดอยู่กับการรับประทานอาหารกำลังเคี้ยวอาหารกำลังกืนอาหารก็ให้ใจอยู่กับการกระทา ก็อยู่กับการเคี่ยวอาหารกับการกลือนอาหารอย่าไปทำสองอย่างพร้อมกามกันเคี่ยวไปแล้วก็คิดถึงอาหารที่อยากจะกินอีกหรือคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่างนี้จะไปทั้งความอยากใหม่ให้เกิดขึ้นพอกาลังเคี่ยวอาหารอยู่ก็คิดว่าเดี๋ยวกินเสร็จแล้วจะไปทำรายดีเดี๋ยวต้องไปเที่ยวตรงนั้นต่อต้องไปเที่ยวตรงนี้ต่อเราอย่าปล่อยให้ใจคิดเรื่อยเปื่อย เราพยายามระงับดับความคิดต่างๆถ้าเราไม่สามารถหยุดมันได้ด้วยสติคือรู้ว่าเราไม่ควรจะคิดแต่ยังคิดอยู่ท่านก็ให้ใช้การบริกรรมพุทโธไปเป็นการไล่ความคิดให้ออกไปจากใจของเราให้บริกรรมพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆไม่ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่กำลังรับประทานอาหารก็พุทโธพุทโธไป กำลังเดินก็พุโทโธพุธโทโธไปถ้าเราไม่ชอบพุโทโธใช้อย่างอื่นก็ได้ใช้บทสวดมนต์ก็ได้เช่นนโมตัสสะอรหังสัมมาสวากขาโตสุปติปันโสนสวดไปอย่างนี้ก็ได้เป้าหมายของเราก็คือต้องการระงับความคิดต่างๆอย่าไปคิดอะไรถ้าไม่จำเป็นจะต้องคิดเวลาทำอะไร อย่าไปคิดเรื่องนั้นอย่าไปคิดเรื่องนี้เพราะมันจะพาไปสู่ความโลภความอยากสู่ความโกรธสู่ความห่วงสู่ความกังวลทั้งหลายถ้าเราไม่คิดแล้วเราจะไม่มีเรื่องราวเหล่านี้อยู่ในใจของเราอย่างตอนนี้เรากําลังฟังเทศฟังธรรมอยู่เราไม่ได้ไปคิดถึงเรื่องปัญหาต่างๆเรื่องของ เรื่องของอะไรต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ความวิตกความกังวลความวุ่นวายใจก็ไม่เกิดขึ้นเราจะใช้การฟังธรรมเป็นเครื่องไล่ความคิดของเราก็ได้เวลาเรานั่งอยู่และเราไม่สามารถควบคุมใจของเราให้ไม่ให้ไปที่เรื่องนั้นเรื่องนี้น ไ, ได้เปิดธรรมะฟังก็ได้ถ้าเรามีแผ่นซีดีก็เปิดฟังไปก็ได้ หรือถ้าเราไม่มีเราก็ใช้บทสวดมนต์ไปไล่ความคิดต่างๆไปใช้พทุทโธไล่ความคิดไปหรือจะนับ12ึสก็ได้นับหนึสองสาไปเรื่อยๆหนึ่งองานับไปถึงร้อแล้วก็นับถอยหลังกลับมานับกลับไปกลับมาอย่างนี้อย่าให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ปัญหาต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้น ความโลภ ก, ก็จะไม่เกิดขึ้นความอยากก็จะไม่เกิดขึ้นความโกรธก็จะไม่เกิดขึ้นความวิตกกังวลต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้นนี่คือการมีสติท่านสอนให้เราทำทั้งวันเลยฝึกทันไปเถิดมั้นไม่ยากหรอกใหม่ๆอาจจะรู้สึกยากเพราะเราไม่เคยทำมาเหมือนกับเราไม่เคยใช้มือซ้ายถ้าเราถนัดมือขวา พอเราจะต้องใช้มือซ้ายเราจะรู้สึกว่ามันใช้ลำบากเพราะเราไม่เคยใช้มาก่อนแต่ถ้าเราไม่มีมือขวาเราก็ต้องใช้มือซ้ายไปจนไดน้แล้เมื่อเราใช้ไปเรื่อยๆต่อไปเราก็จะใช้ได้อย่างถนัดอย่างแน่นอนเช่นเดียวกับการมีสติการฝึกสติเราไม่เคยมีสติกันเราชอบปล่อยใจของเราให้คิดเรื่อยเปื่อยไปเรื่อย วันๆนันบนี้คิดอยู่ได้ทั้งวันคิดแล้วก็ร้องไห้กับตัวเองหัวเราะกับตัวเองโกรธกับตัวเองอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็เกิดมาจากความคิดทั้งหลายนี่เองทำไมเราไม่ควบคุมบังคับมันท ำ, มทำไมเราไม่กำจัดมันให้คิดแต่ในสิ่งที่จำเป็นและคิดในสิ่งที่ดีถอคิดอย่างถ้าคิดว่า เกิดแล้วมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายคิดอย่างนี้ท่านว่าคิดดีเพราะจะทำให้เราเตรียมตัวเตรียมใจรับกับความแก่รับกับความเจ็บรับกับความตายพอเราพร้อมที่จะรับกับมันแล้วความแก่มันก็จะไม่สามารถทำให้ใจของเราทุกได้ความเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะไม่สามารถทำให้ใจของเราทุกได้ความตายก็ไม่สามารถทำให้ใจของเราทุกได้ นี่ถ้าอยากจะคิดให้คิดอย่างนี้คิดมันไปเลยว่าก่อนมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่ว่าใครทั้งนั้นเราก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายคนที่เรารักก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายคนที่เราเกลียดก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายคนที่เราไม่รู้จักก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายทุกคนเหมือนกันพอเราคิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วต่อไปเราจะปล่อยวางเราจะไม่เดือดร้อน เวลาใครจะแก่ใครจะเจ็บใครจะตายเราจะไม่ร้องผอมร้องไห้จะไม่เสียอกเสียใจเพราะเรารู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่มีใครห้ามได้นั่นเองไม่มีใครยับยั้งได้ทุกคนต้องเป็นเหมือนกันหมดเมื่อเป็นเหมือนกันหมดแล้วจะมาตื่นเต้นกับเรื่องอย่างนี้ทำไมมันเป็นเรื่องธรรมดาเหลือเกินเรื่องความแก่ความเจ็บความตายแต่ถ้าเราไม่คิดเลย พอเราได้ยินข่าวว่าคนนั้นตายก็เป็นข่าวใหญ่ขึ้นมาตื่นเต้นกันใหญ่โอ้ยคนนั้นตายแล้วคนนี้ตายแล้วมีใครไม่ตายบ้างมีใครที่เกิดมาในโลกนี้แล้วไม่ตายบ้างตายด้วยกันทุกคนเนี่ยท่านถึงบอกว่าความตายเป็นเรื่องธรรมดาเรามีความตายเป็นธรรมดาล่วงพ้นความตายไปไม่ได้นี่คือเรื่องของการคิดที่ดี คิดแบบนี้แล้วจะทำให้ใจเรามีกำลังจะทำให้ใจของเราไม่หวั่นไหวไม่ทุกข์กับความแก่กับความเจ็บกับความตายแต่ถ้าไม่คิดดีจะทำให้ใจเราอ่อนแอพอเวลาได้ยินว่าคนนี้คนนั้นตายขึ้นมาก็จะตกใจขึ้นมา ท, าทันทีจะเกิดความหวาดกลัวขึ้นมาทันทีว่าต่อไปเราอาจจะต้องตายตามเขาไปก็ได้เลยไม่รู้จะทําใจอย่างไร ว่าวุ่นขุนมัวกินไม่ได้นอนไม่หลับบางทีถึงกับเป็นบ้าไปเลยก็มีเพราะความกลัวตายทั้งทั้งที่ก็ต้องตายอยู่ดีคนที่ไม่กลัวตายนี้ตายอย่างสบายเช่นพระพุทธเจ้าตายอย่างสุขตายอย่างสบายกับเห็นว่าความตายนี้ดีเสียอีเพราะจะได้ไม่ต้องมาแบกร่างกาย อ, อีกต่อไปถ้ายังมีร่างกายนี้อยู่ก็ต้องมาแบกต้องคอยเล้ยดูร่างกายนี้ ติบขึ้นมาก็ต้องอาบน้ำอาบท่าหาข้าวมารอบประทานและตลอดเวลาก็ต้องหายใจเข้าออกอยู่ตลอดเวลามีแต่ภาระไม่ใช่เป็นสิ่งที่หน้ามีไว้เลยพอร่างกายนี้ตายไปแล้วก็หมดภาระไปเหมือนเราต้อง <c oughs> มีภาระนิ้ดูใครสักคนหนึ่งพอเขาจากเราไปแล้วเราก็สบาย เหมือนเลี้ยงลูกพอลูกโตแล้วเขาไปมีครอบครัวของเขาเองได้แล้วเราก็หมดภาระเราก็แสนจะสบายไม่ต้องเสียเงินเสียทองมาเลี้ยงดูเขาไม่ต้องมาห่วงมาวิตกมากังวลกับเขาเราต้องมองแบบนี้คิดแบบนี้ถึงเรียกว่าฉลาดคิดด้วยปัญญาต้องคิดอย่างนี้คิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ เป็นภาระทั้งนั้นเป็นกองทุกข์ทั้งนั้นถ้าไม่มีแล้วแสนจะสบายนี่คือการมีสติขอให้เราพยายามฝึกไปเรื่อยๆ เ, เมื่อเรามีสติแล้วเราก็จะทำจิตให้สงบได้เป็นสมาธิได้เพราะเวลาเรากำหนดให้จิตอยู่กับลมหายใจจิตก็จะอยู่กับลมหายใจ เมื่ออยู่กับรมหายใจไปได้อย่างต่อเ น, นื่องจิตก็จะรวมลงสู่สมาธิสงบสบายมีความสุขแล้วเราพอมีสมาธิแล้วความอยากก็จะสงบตัวลงไปเราก็จะไม่อยากได้อะไรนี่คือเรื่องของการต่อสู้กับความอยากต้องมีสติต้องมีสมาธิแล้วก็ต้องมีปัญญาปัญญาก็ต้องเห็นโทษของความอยาก ว่าอยากได้อะไรมาก็ได้เดียวได้ความสุขเดี๋ยวเดียวแล้วหลังจากนั้นก็ได้ความทุกข์ขึ้นเพิ่มขึ้นมาเพราะจะต้องดูแลรักษาสิ่งที่เราได้มาแล้วก็ต้องเสีย อ, อกเสียใจเวลาเสียสิ่งที่เราได้มาไปถ้าเราคิดอย่างนี้ต่อไปเราก็จะไม่อยากได้อะไรสิ่งที่เราอยากได้ก็คือการหลุดพ้นจากความอยากเท่านั้น เราก็ต้องมีสติมีสมาธิมีปัญญามากๆเมื่อเรามีมากแล้วต่อไปเราก็จะตัดความอยากได้หมดเมื่อหมดความอยากแล้วก็จะไม่มีความทุกข์เหลืออยู่ในใจของเราอีกต่อไปใจของเราก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหมดหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดดังที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้ปฏิบัติกันจึงขอฝากเรื่องของการ ดูแลรักษาใจด้วยสติด้วยสมาธิด้วยปัญญาเพื่อกำจัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจนี้ให้ท่านได้นำเอาไปพินิษพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุดที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแกร่เวลาจึงขอยุติดไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรยัย